อี่จะจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเด็กๆขนาดเนี้ยฟังฟังไม่รู้เรื่องก็กฟังเหรอลองฟังที่จะรู้เรื่องไหมรู้ป่าเด็กดีใจสะอาด บ, บริสุทธิ์บุญวาสนาเก่าก็สร้างมาเยอะแต่เข้าใจไม่ว่าจะเข้าใจหรือเปล่ว่าไม่เป็นห่วง ห่วงพ่อห่วงพี่ความเป็นห่วงความรักได้แต่อย่าห่วงเอาใจไปผูกจริงๆคือเป็นลูกที่ดีในความดูแลพ่อดูแลพี่ดูแลดูแลแม่ดูแลทุกคนในโลกนี้เราก็ต้องดูแลเ้าหมดแต่เมตตาช่วยเหลือเขาแต่ไม่เอาใจไปผูกพันเข้าใจไ้ยเนี่ยอืม ตจกันจะห่างนะฮะ ต, <c oughs> ตัวหนูเป็นเด็กดีไงหนูเลยเอาใจไปผูกหมดเลยลูกหนูรักใครก็รักหมดใจก็ถูกต้องลูกแต่อย่าอย่าไปเป็นห่วงรักปัตตนาพ้นทุกข์ปัตนาพนทุกข์ปัตนาพ้นทุกข์ปัตนาตัวเราพ้นทุกข์ปัตตนาพ่อพ้นทุกข์ใ้พี่พ้นทุกข์ไว้ใ ห, ให้แม่ให้แม่พนทุกข์ให้ทุกคนพนทุกข์ ในโลกนี้ทุกคนปรารถนาพ้นทุกข์แล้วเราด้วยอันดับแรกคือให้เราพ้นทุกข์แต่ถ้าเราไปไปห่วงไปมัดมันเราไม่ทุกข์เรามันทุกข์เลยเราทุกข์กว่าใครเลยเราปรารถนาทุกคนคนทุกข์แต่เราไปมัดเอาใจเราไปมัดเขาไปบัดไปห่วงไว้เลยเราเราทุกข์กว่าใครเข้าใจไหมพอออกแล้วเนี่ยเข้าใจจริงกันเปล่าเนี่ยโอ้โหเราดูมันยากที่สุดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไหนไหนเอาใบที่ละใบไปไหนเนี่ยเอามาที่เหลืองให้หน่อยสิ เปิดมาให้หนะยังไงนะลูกเอาเดี๋ยวนะเอาบอกเลมไหมหน่อยชื่ออะไรอายุกี่ขวบอือชื่อนิมค่ะอายุเก้าวขวบค่ะเออชื่อนิมอายุเก้าวขวบค่ะอแม่อืมนิมเป็นเด็กดีจิตใจมีเมตตาจิตใจมีความรักความห่วงคนนั้นคนนี้ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงทุกคน นี่แต่มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์<ะ>ใช่ไหมนี่เวลาเราห่วงมาเขาพอเขาไม่ได้อย่างใจเราก็เลยจิตใจเราก็เลยเป็นทุกข์<ะ>เดี๋ยวกลัวเขาจะเป็นอย่างน้นกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้ใจเจ้าอะไรก็เป็นทุกข์เลยใช่ไหมลูกนั้นเราเราเนี่ยรักทุกคนได้แต่เราอย่อใจไปผูกเป็นห่วงพอเขาไปเป็นอะไรหน่อยเราจะทุกข์มากเลย<ะ>พอทุกคนเนี่ย ในทุกชีวิตในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงตัวเราก็ไม่เที่ยงพ่อแม่พี่น้องทุกคนในโลกนี้ที่เรารักไม่เที่ยงที่เราเกลียดก็ไม่เที่ยงอันลูกถ้าเราเอาใจเราไปผูกกับของไม่เที่ยงเราจะทุกข์มากเลยลูกทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องตายทุกคนต้องพัดภาคถ้าเราใจไปถูกไปผูกกับสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคเราจะทุกข์มากเลยเรารักมากได้แต่อย่าใจไปผูกคาว่าผูกคือ เราต้องเผื่อใจไว้ว่าทุกคนไม่เทีย่ยงที่สุดเราก็ไม่เที่ยงเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปเป็หมือนทุกคนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนในโลกนี้อากองอมาม่าเห็น Connie ไหมเนี่ยชื่ออะไรนะเรียกว่าอะไรนะแม่ของอองนี่อย่างนี้นิมก็จะเรียกว่าอะไรอาม่าเนี่ยเห็นไหมก็แก่มากเลยเห็นไหมเนี่ยลูกเราต้องเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งที่สุดนิมก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเผื่อใจเห็นว่าทุกทุกคนล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เที่ยง แต่เราไม่เผื่อใจไว้เราจะทุกข์มากเมื่อใครที่คนที่เรารักแล้วเขาเป็นอะไรไปค่ะ่้าในเข้าใจบ่เด้ออธิบายฝังา่าว่าไงอธิบายกลับเด้่างไงอย่าไปเอาใจไปผูกกับคนที่เรารักค่ะแค่รักเฉยออยาาาเเใจไปกกัับคนที่รร เอาเนยเอาไงเอาเนยว่าไงเอาปกันบ้านใครี่ห้ามโกหกนะรู้นะก็ช่วงแรกๆก็รู้ทันอารมณ์เองพี่บอก่อบอก่อนคนฟังซีดีจะได้รู้ชื่ออะไรชื่อติเนยอายุสิบสองปีค่ะอายุสิบสองเนยสิบสองคว่าไงก็ช่วงแรกๆก็ตั้งใจทำกันบ้านมาค่ะ ช่วงห่างหลังก็ละเลยไม่ค่อยได้ทำการบ้านเขาเน่อยคืออะไรที่หลวงตาให้ไปให้รู้ทันอารมณ์ตัวเองให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองออละมินดุมีอารมณ์อะไรหรอไม่เคยรู้ทันก็ ม, มีอารมณ์โกรธบ้างครับอออืืมื ม, ม, ม, มต้องรู้ทันเพราะตัวนี้เป็นตัวหลักของหนูเลยต้าหนูรู้เท่าทันนะอย่าตามใจอารมณ์แล้วก็หนูจะพัฒนาเร็วมากเลยหลวง ทั้งโลกก็จะพัฒนาเร็วทั้งโลกทั้งธรรมก็จะพัฒนาเร็วจะเจริญถวงสุดทั้งโลกทั้งธรรมเลยนั่นแหละคือตัวหลักเขาที่ทาให้หนูเนี่ตกเขาเลยเหมือนกับตกเขาเพรานิพพานเนี่ะตัวอารมณ์ที่หนูเนี่ยลิสัยของเราเป็นคนที่ชอบชอบหงุดหงิดขี้หงุดหงิดขี้ลาคาญใช่ปะเงี้ยแน่หรูต้องรู้เท่าทันนะเพราะว่านี่เป็นตัวหลักที่ทําให้หนูตกเขาเพราะนิพพานหนูต้องรู้เท่าทัน แล้วก็อแล้วใครแย่หน่อยก็รุน่นแย่หน่อยก็นี้น้องแย่หน่อยก็ยยงงหงิดแล้วเอือยังหงุดหงิดนะลูกนะอุย้ยน้องยังรักพี่มากเลย <S <S ย, ยังหงุดนะ <S <S ต้องรู้ตัวทัทนนะลูกกัน บ, บ, บ้านอะไรกลับไปทํำใหม่กลับไปทกันบ้านอะไรให้ส่งอารมณ์ ทั้งวันให้ ป, ป๊าดูเออแล้วก็อะไรอารมณ์อะไรหงุนหงิดเนาะรู้ต้อทันนะค่ะเออพอมันจะห ง, งุนหงิดเราต้องรีบรีบกุมจัดมันเตะมันให้กระเด็นไปเร็วๆของมันจะใจเราให้เร็วๆนะพอมันจะหงุดหงิดปุ๊บตรงเตะมันจะใจให้เร็วๆรู้ต้องทันไปเร็วๆจะตามใจมันนะเออเขี่ยมันดีดมันออกไปเลยเพื่อเอกไเลยเร็วๆอัดีดมันออกไปเลยเร็วๆเข้าใจไหมอ่แล้วก็เกระเป๋ามาส่งให้เห็นร่องรอยนะ อ่าแต่ก็ดีแล้วลูกปฏิบัติมาได้ดีทุกคนเลยขึ้นไม่มีร่องรอยขึ้นขึ้นภูเขากันหมดขึ้นภูเขาแห่งพันิพาณภูเขาแห่งความนทุกข์แห่งความทุกข์ความเจริญกันหมดเพียงแต่ว่าใครขึ้นได้มากได้น้อยอ่าเพราะว่ามันเป็นไปตามนิสัยของเลยนี่มีจุดอ่อนก็คือขี้งุดหงิดคี้ลำคาญเพราะนั้นก็เลยตัวเนี้ยเวลาพออะไรนะเดี๋ยวมันหงิดเดี๋ยวลำคาญเดี๋ยวก็นางอเดี๋ยวก็หงุนหงิดงงรรหน้างอ๋งงงอคอหัก เดี๋ยวก็นางออบคอหักเหวี่ยอย่างเงี้ยเขต้องรู้ตัวทันนะลูกดูแล้วก็ละดูแล้วก็ลมรู้แล้วก็ดีดมันกระเด็นปึ้งไว้เร็วๆเลยดีดมือเลย๋ยวไปตามใจมันนะอืมแล้วก็พอเราดูตัวทันบ่อยๆดีดปึ้งดีดปึ้งดีดปึ้งเลยเวลาบันจังงอนางอวบคอหักอ่ะหยุดไว้คอยหยุดคอไว้นะแล้วก็การบ้านมาตรงนะะอย่าเพิ่งลองรอยให้เหดี๋ยม ส่วนนิมก็มีจุดอ่อนบางคนที่มีเมตตามีความรักต่อผู้อื่น่วางใจคนทีเราลักไอ้ตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดอ่อนที่ทําให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าในโลกนี้เรารักสิ่งใดเป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะทุกอย่างมัคงไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์ทั้งหมดเรารักได้เจ้าใจาไปผูกกันได้เพราะผูกมันเป็นห่วงพุระเจ้าจึงตั้งชื่อลูกว่าลาหุนเป็นห่วงไม่ผูกแล้วไม่เอาแล้วหนีเลยอืหนีเป็นบวช สงสารอะไรมั้งสงสารแล้วนะเนาะได้ทุกคนได้กันบ้านไปแล้ว อ, า อ, อ้าวพอสายจะถามอะไรบ้างเอา้าอืออยากถามอะไรบ้างพอสยเอ้อมาตั้งแต่เย็นมาตั้งแต่ก่อนเข้าเลยเอ้าอยากถามอะไรเอ้าหลวงตาให้ถามเอาพูดเต็มที่เลยเอา้าหลวงตาที่หลงตาบอกแล้วเป็นไง จะทำตามที่หลวงตาบอกตอนนั้นแล้วเป็นไงแล้วถ่ายทำดีพูดดีทุก็จะทำมาเล่นเป็นไงอีกอ๋อ พ, พูดเยอะดิพูดเยอะๆหลวงตายอยากฟังอ๋อพูดเยอะแล้วไงอีก ไปทำบาปกรรมไร่ปเปล่าละพลอยใส่ไปทำบาปกรรมไร้หรือเปล่าไม่ทำเนาะสาธุไม่ทำดีแล้วแล้วอะไรอีกเดจะบอกคิดดีพูดดีทำดีแล้วอย่างนี้เปล่าหน้างอคอหักก็เปล่าใจงอนหรือเปล่าใจงอนหน้างอคอหักก็เปล่าเป็นหรือเปล่าอแอบเป็นบ้างดันงาแล้วเห็นไหมพอมันเป็นแล้วต้องรีบทำไง เอ่าดีขึ้นอ่าฮะหนะายใจงอนหน้างอคอาหาักนะพอรู้สึกขึ้นแล้วต้องรีบดีขึ้นทันทีนะเข้าใจไหมอ่าดีแล้วจําได้ฮ ะ, ะดได้ต้องดีเดเ้งดึ๋งขึ้นเลยนะเออจะทำทุกวันอะไรนะเราจะทําทุกวัน เขาบอกว่าเขาจะปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงตาอสาธุสาธุสาธุแล้วหนูก็จะหายได้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์ขอให้ท่านทุกท่านขันทุกขันสื่อัาพลังงานางางความว่างของพอยใสจงกล่คืนสุ่วามเป็นปกติาเป็นปกติมอชาติตำดุลชาติอยอ่าธรมะเวลาตั้งแต่บับนไปต้นไปพุทธังเมงตัเจตกมพุทธะพุทธาอุปิเวนะธรมังเมงตัเจตักมมมอุปวเวนะรรมเมตังเจตังกามอุปิเวนะ เมตันจตสัโลกะนัปะยริมาณังกุฏังอตโตตุีนัจัตตะวิลังสัพตังทุกขปตานิทุกขปิยาปตานิปยาทุกขปตนิทกาตุสเปไปโนทุกตปสโลกสัพพะจเวเยสัทานัพละพังตุเตหลักกตุตหลักกตุสเปตตเวลาปยาปากาสุิยตนังปานิหตุสเปตตเวลาปยาปากาสุกิยตนังปาตุสเปตตเวลาปยาปากาสุกิยตนังันุกขา จงกลับคือสู่ความเป็นปกติธรรมเจ้าสมด็นชาติใหแข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์ให้ทัประโยชน์ตนประโยชน์ท่านผาตนในปนทุกข์ทำประโยชน์เกื้อกูลต่อสาสนาช่วยเหลือผู้อื่นในคนทุกข์ด้วยเทินเรื่องเอย่าลืมนะนะพลอยใสอย่าลืมนะต้องอย่าไปทำบาปกรรมอีกนะเออต้องให้คุณแม่คอยเตือนนะ อย่าไปทำปาบากรรมนะแล้วก็คิดดีพูดดีทำ ด, ทำดีทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะแล้วห้ามหน้างอกอหักนะรู้เปล่าอ่ะอย่าใใจเศร้าหมอหน้างอกอหักไม่ได้นะต้องรดน้ำเร็วๆให้ยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ตาทุกเอา้าใครถามเอา้เอาเคุณแม่ถามย้ายแม่ถามเหร อ, อแม่ถามอะไรเอา้าเอาลูกยายแม่ถามเอามาให้แม่ถามเอาลูกย้ายแม่ถาม ลูกทำในมรสการของตาเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแต่ก็รู้ตัวว่าเดี๋ยวก่อนเอาตรงนี้ก่อนค่ะไอที่ไม่ปฏิบัติบ้างเขาออกได้ไหมแต่ลูกก็เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญค่ะลูกจะสร้างบุญไปเรื่อยๆบอกแล้วนะไอที่ไม่ปฏิบัติบ้างเขาออกมั้ยลูกปฏิบัติบ้างเออปฏิบัติดีๆแต่ไอที่ไม่ปฏิบัติบ้างเนี่ยเขาออกนะอย่าให้มีนะ ค่ะชื่ออะไรวะชื่อแอนค่ะ <A en. S 2> มีเรื่องอะไรกิดขัดบ้างไหมคะหลวงตาปฏิบัติรักษาใจใดีแอนอย่าให้มันเศร้าหมองนะลูกคลอยสายคอยเตือนแม่ไว้อย่าให้แม่นา ง, งอกออหักได้ไหมคอยบอกแม่นะบอกว่าหลวงตาเตือนไว้ให้คอยสายคอยบอกแม่ ว่าแม่อย่านั่งออคอหกหนูก็อย่านั่งออคอหักแม่ก็อย่านั่งออคอหักได้ไหมบอกแม่ขยันปฏิบัติให้แม่ใจดีไว้ดีดาดีดาดีดาไว้ได้ไหม อ, อ๋อได้นะหนูควรบอกแม่นะเวลาแม่มีอารมณ์บอกแม่เลยแม่มีอารมณ์แล้วแม่มีอารมณ์แล้ว อ, อืมสาธุค่ะเออให้จิตใจมันผ่องใสไว้จิตใจมันผ่องใสไว้ ยามันเศร้าหมอลูกรู้ว่าโทสะลูกแรงอยู่ค่ะแต่ก็เบาบางลงกว่าเดิมเยอะค่ะหลงตาเออแน่แน่โทสะเมื่อก่อนแรงแต่เดี๋ยวนี้รู้ตัวว่าเบาบางรู้ขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็เห็นแล้วก็ไม่ไม่เข้าไปร่วมค่ะบางครั้งก็ไม่เข้าไปร่วมบางบางครั้งสติก็ไม่ทันก็เข้าไปร่วมบ้างอสติไม่ทันเดี๋ยวให้พอยสายคอยเตือนค่ะให้พอยสายก็เป็นสติไว้ถ้าพอยสายนะให้พอยสายคอเป็นสติให้แม่ค่ะ ได้ไหมได้ไหมแม่เป็นสติให้ลูกลูกเป็นสติให้แม่นะเออดีอดความจริงจิตของเรามีมีอนุภาพมากเลขนาดปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างเนี่ยจะมีอนุภาพมากเลยลูกเคยเกิดสภาวะ แยกกายแยกจิตได้ค่ะหลวงตาคือคือว่าป่วยอาการป่วยเป็นเยอะค่ะอยู่กับลูกสาวสองคนนะคะแล้วควนี้ปวดหัวมากเห็นการเคลื่อนไหวเห็นการเคลื่อนไหวของตัวเองอะค่ะว่าอาการเจ็บอาการปวดแต่ลูกรู้ว่ามันเป็นเยอะมันเกิดสภาว่าการแยกตัวเจ็บกับตัวดูแต่ลูกไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกกับแต่แต่แ ต, ตอนที่ ที่ลูกมองดูอะลูกไม่ได้ตกใจค่ะแต่ลูกก็รู้แล้วว่ามันมีตัวเจ็บเจ็บทรมานมากในขณะที่ลูกเป็นนะคะทรมานแบบแบบลมหายใจเหมือนจะจะขาดเลยค่ะแต่มันจะแล้วมันก็มีตัวดูค่ะตัวดูตัวดูขนาดที่ตัวดูคือไม่เจ็บค่ะแต่ลูกก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอแล้วลูกก็ได้มาปฏิบัติธรรมตอนที่หลงตา ม, มาครั้งก่อน แล้วก็มาเกิดสภาวะจิตว่างเดินจงกรมแล้วก็จิตว่างสภาวะว่างว่างว่างว่างแบบว่างไปเฉยๆค่ะโดยที่ว่าไม่ได้คิดไม่ไม่มีเรื่องคิดเลยค่ะไม่ไม่คิดลูกก็ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้การปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ลูกก็ไม่ได้ทําปฏิปะต่อค่ะก็คือตัวนี้เอคัมนียวต้องออกแต่ลูกมัไม่ไม่ทําปฏิปะต่อเนี่ยออกได้ไหม ถามเ้ยไหมลูกพยายามค่ะค่ะให้มันเห็นอย่างเนี้ยเราจำทางเดินได้แล้วทำไมจึงทิ้งไปเราเราทำไมไม่ให้มันต่อเนื่องจนมันชัดเจนในใจของเราเราแยกกายแยกจิตได้แยกจิตไปถึงความว่างได้แล้วทำไมจึงทิ้งไปแล้วมันมีตัวบอกว่ามันชำนานมันมีตัวบอกลูกว่าถ้าอยากรู้ให้ทาต่อผุดขึ้นมาบอกก็เขาก็บอกถูกแล้วอยากรู้ใว้ทาต่อ แต่ลูกก็ลูกก็เอ่อหน้าที่การงานแล้วก็ทางโลกลูกก็ไปไปเผอแต่ว่าลูกก็ยังแต่ลูกก็ยังติดแนบอยู่กับบุญนะคะก็คือจิตก็ติดแนบกับบุญไม่คิดที่จะไม่สร้างความดีลูกก็คิดจะสร้างความดีต่อไปค่ะคิดดีทำดีพูดดีแล้วลูกก็จะหมั่นสร้างบุญกุศลลูกก็เชื่อบาปบุญแล้วก็เชื่อนรกสวรรค์มีจริงค่ะก็ต้องในแนต้องฝึกให้จำนาน เราแยกจิตออกจากกายได้แล้วแล้วก็แยกความว่างออกจากจิตได้นั่นแหละก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าไอ้จิตที่เป็นผู้รู้ตัวนั้นเป็นตัวปรุงแต่งเราบอกว่าจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันแยกออกจากกายแล้วมันไม่เจ็บปวดไอ้จิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันไม่เจ็บปวดอะไรเลยตอนเราตายนี่น่ะไอ้จิตผู้รู้เนี่ยหรือก็เรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันจะออกจากล่างแล้วมันจะไม่เจ็บปวด ตอนที่มันยังไม่ออกจากล่างมันเจ็บปวดมากทรมานแสนสาหัสร่างกายมันเป็นเวทนาตอนจิตผู้รู้มันออกจากล่างแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บปวดแล้วแต่จิตผู้รู้เนี่ยมันยังเป็นจิตปรุงแต่งมันยังเป็นจิตปรุงแต่งไอตัวนี้มันยังไม่ดับเพราะมันมันยังไม่เข้าถึงความว่างดังนั้นที่หนูเนี่ยมนเลยจิตผู้รู้ไปอีก ไปถึงความว่างเลยรู้ว่าอ้าวความว่างกับจิตมันไม่ใช่เดียวกันนั่นแนะไอ้จิตที่ปรุงแต่งเนี่ยมันจิตดับเหลือแต่ความว่างตายแล้วเลยเหลือแต่ความว่างถ้าเราเนี่ยแยกจิตออกจากกายได้อย่างเดียวพอถึงตอนจะตายมันก็ขาดกระเด็นบึ้งหลุดออกเหมือนกับหักก้านบัวสดๆแล้วเส้นย้ายก้านบัวมันขาดออกไอ้จิตวิญญาณเนี่ย มันก็กระเด็นหลุดออกจากล่างของขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ดับตายนอกเปลือกผูพังแต่เราจะเห็นว่านอกจากขันห้าแล้วมันมีตัวที่กระเด็นหลุดออกมาจากขันห้าวันเลยขันห้าไปมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือเนี่ยน่ะไอ้ตัวรู้นี่แน่ะแต่ไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยมันจะเป็นรู้อวิชชา มันยังยึดเอาไอ้ตัวปรุงแต่งไอ้จิตที่มันมันคิดนึกตื่นตอนปรุงแต่งได้จิตที่แสดงอาการได้เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันยังไม่สิ้นอวิชชาไม่สิ้นความหลงเมื่ออวิชชามันยังไม่ดับไอ้ตัวจิตปรุงแต่งที่เป็นผู้รู้ที่เป็นบวกอวิชชาเนี่ยมันก็เลยติดไปได้วยกันอวิชชาเลยไปติดที่ผู้รู้ต่อไปอ้าวมันเข้าไปถึงความว่างหลุดออกจากไอ้จิตที่มันเป็นผู้รู้ที่ไม่เจ็บไม่ปวด อวิชามันก็เลยลุดกระเด็นหลุดออกไปจากไอ้ไอ้จิตที่เป็นผู้รู้เหลือแต่ผู้รู้ที่เป็นความว่างอาวิชาก็เลยดับไปไอ้กายโปร่งแสงเนี่ยที่เป็นกายโปร่งแสงที่กระเด็นออกจากล่างเมื่ออวิชาดับแล้วเนี่ยมันก็เหลือแต่ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่ากับกึ้นสูว่างเปล่าแต่ไอ้ ส, ส่วนกายที่เป็นโปร่งแสงที่มันมีความรู้สึกนะึกคิดอารมณ์ได้เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ดับไปเพราะว่าอาวิชานี่ มันทําให้เกิดไอ้กายที่โปร่งแสงมีตัวมีตัวอีกตัวหนึ่งกระเด็นดุดออกมาจากล่างได้ตัวเนี้ยมาคิดนึ่ติดตอมปรุงแต่งได้มาดูตัวเองแล้วมันก็มาดูว่าหมอก็ทําอะไรกับศพเราทําอะไรกับร่างเราเขากําลังจะเอาล่างเราไปไหนไอ้ตัวเนี้ยมันกระเด็นออกมาไอ้กายปร่งแสงมันกระเด็นออกมาจากตัวไอ้ขันห้าเนี่ยเฉะนั้นไอ้ขันห้าเนี่ก็ไปติดตัวหนึ่งรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเนี่ยไอ้ตัวนี้ดับหมดแต่ตัวยึดถือเนี่ยมันไม่ดับ ไอ้ตัวยึดตือไม่ดับมันจะกระเด็นออกมาจากไอ้กายที่ไอ้ขาหน้าเนี่ยไอ้ขาหน้าดับหมดแล้วแต่มันมีกายโปร่งแสงกระเด็นออกมาจากขาหน้าคือความยึดอ่มันยังไม่สิ้นราความยึดยังไม่สิ้นไอ้ตัวที่กระเด็นออกมามันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความโศกมีแต่ความเศร้ามันมีแต่กิเลสตัณหาไอ้ตัวที่กระเด็นออกมาเนี่ยมันมีแต่ความกลัวมีแต่ความยึดมีแต่ความยึดนั่นยึดนี่ร้องห่มร้องไห้ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ดับ เพราะว่ามันออกมากันเด็นออกมาแล้วมันมาคิดหนังสตอนปรุงแต่งมีอารมณ์มีความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจได้มันรอจนกระทั่งยมทูตเนี่ยมาลากถูลูกถูกลางไปเอาสาง่ามมามาสองตอน้นเอาสาง่ามมาแทงแล้วก็ลากไปปล่อลากไปเพราะว่าไม่มีใครแล้วที่จะยอมไปง่ายๆต้นหนึ่งก็ลากไปอีกต้นหนึ่งก็เอาเอาสามง่ามแทงไปลากไปถูรูตถู ก, กางต่อหน้าตตานี่แหละไอตัวที่ร้ายกาจที่สุดก็คือไอตัวยึดในแด่ ไอ้ขันห้าเนี่ยดับร่างกายดับเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณในตัวรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วที่มันรับรู้แล้วมันมาปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นผู้รับรู้แล้วก็ปรุงแต่งนั้นปรุงแต่งนี่ไอ้ตัวเนี้ยดับแต่มันดับไม่สนิทขันห้ามันดับแต่ตัวยึดมันไม่ดับมันเลยไปสร้างร่างใหม่ตัวหนึ่งไว้คือไอ้ตัวที่จะพร้อมจะไปเกิดแต่ตัวนั้นอ่ะเอมันไปสร้างร่างใหม่ไปอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไอ้ตัวอวิชามันไม่ดับมันไม่สิ้นยึด ก็เพราะเราไปยึดเอาไอ้ตัวปรุงแต่งยึดเอาร่างกายเราที่เป็นส่วนปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราไม่ยึดร่างกายเราส่วนที่เป็นปรุงแต่งก็ไปยึดเอาจิตที่เป็นส่วนปรุงแต่งคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รับรู้อะไรเอาตัวเราเป็นผู้รู้คิดอะไรก็ตัวเราเป็นผู้คิดมีอารมณ์อะไรก็ตัวเราเป็นผู้มีอารมณ์เวลาใจสบายก็ตัวเราเป็นผู้มีใจสบายเวลาใจไม่สบายก็ตัวเราเป็นผู้มีใจไม่สบายไปเอาอาการของจิตทั้งหมดเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจริงๆอย่างจัง มันเป็นตัวยึดผิดตัวมันยังไปไม่ถึงความว่างเมื่อมันยังยึดผิดตัวไปไม่ถึงความว่างมันเลยเป็นตัวปรุงแต่งได้เลยว่าพอมันเอาไปตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราเอาไม่เอากายปรุงแต่งก็เอาจิตปรุงแต่งเป็นตัวเราซะแล้วเราก็เลยกระเด็นหลุดออกไปไปปรุงแต่งเป็นกายปร่งแสงที่โยก็ถามว่าเห็นอย่างเงี้ยแล้วจะมีประโยชน์อะไรเห็นในตัวเราที่มันปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วเห็นทําไมเห็นตัวเราปรุงแต่งทําไม ก็เพื่อว่าไม่ให้เราเนี่ยไปยึดเอาไว้ตัวที่ปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพอไม่ยึดปุ๊บมันก็จะกระเด็นหลุดออกมามันก็จะกลายเป็นความว่างส่วนในจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยเราไม่ยึดมาแล้วมันก็เลยดับไปพร้อมกับขันห้ามันก็เหลือแต่ความว่างแค่นั้นเองนั้นมันจึงแยกเดี๋ยวที่หนูเนี่ยแยกจิตออกมาจากกายแล้วมาดูตัวเองได้แต่ถ้าหนูสังเกตดี ไอ้ตัวที่มันมาแยกออกมาแล้วมันกระเด็นแล้วมาดูตัวตัวเราได้มันพูดได้ตัวเนี้ยเราจึงบอกว่าให้เห็นตัวที่พูดตัวที่ภาคอยู่ในใจเราเราถึงจะหลุดพ้นจากไอ้ตัวนี้ถ้าเราไม่เห็นตัวที่พูดที่ภาคในใจเราเราจะกลายเป็นตัวนี้แล้วเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นรู้ไปเห็นอย่างอื่นทั่วไปหมดเลยแต่เรากลับไม่เห็นตัวเราที่ที่บอกไปหนูเมื่อกี้ที่บอกว่าแล้วหนูเห็นไหมเนี่ยหนูรู้ยังอะไรเนี่ยพาคอยู่ตลอดแต่ไม่เห็นตัวเราที่ที่กําลังพูดกําลังภาก มันก็จะไปเอาไว้ตัวเราที่กำลังพูดภาคได้เนี่ยพูดได้ภาคได้ในใจเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเราเพราะมันไม่เห็นตัวเราเมืก็แล้วตัวเราเนี่ยไปเห็นอย่างอื่นทั่วเลยแล้าวเอาตัวเราเนี่ยไปยึดอย่างอื่นไปทั่วว่าหนูเห็นไรือยังเนี่ยเนาะอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าหนูเห็นหรือยังเนาะหรือว่าหนูหนูยังไม่เห็นแล้วใครที่พูดว่าหนูเห็นหรือยังหนูยังไม่เห็นกลับไม่เห็นตัวเองแต่เอาตัวเองเนี่ยไปปรุงแต่งอย่างเงี้ยแล้วเห็นตัวเองว่ากำลังปรุงแต่งพอไม่เห็นตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยยึด เอาไอ้ตัวปรุงแต่งเป็นต right? ัวเราเพราะเราไม่เห็น so มันก th ็เลยเป็นอ่าวิชาไม่รู้ไม่เห็นมันก็เลยเป็นอ่าวิชาอ่าแปลว่าไม่ไงวิชาก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นตัวเราเนี่ยที่กําลังปรุงแต่งไม่เห็นว่าไม่เห็นตัวเรากําลังปรุงแต่งว่ามันเป็นสังขารจะมีประโยชน์อะไรที่บอกว่าเห็นสังขารก็เห็นว่าตัวเราไอ้ที่มันปรุงแต่งเย่งเย่งเป็นตัวเราที่เอาตัวเราไปพูดพูดพูดูดแล้วหนูเห็นไหมเนี่ยหนูเห็นหรือยังอาจารย์ไม่เห็นหนูเห็นหรือยังแล้วทำไงหนูจะเห็นใกล้ตัวที่มันพาก่าทําไงอาจารย์วว่่่าาาาหหนนููจจะะเ็ได้้ลกตททํงีร หนูหนูที่จะรู้ว่าหนูเห็นได้ก็ตัวใครเลยเป็นคนตัวภาคเ่ยแหละไอ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งแล้วก็เห็นวไปตัวที่เรากำลังภาคกำลังภาคกวรจะช่วยตัวเราเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งเราก็เลยหลุดจากไอ้ตัวปรุงแต่งนั้นไปเลยเรากลายเป็นตัวที่ไม่ปรุงแต่งเวลาตายแล้วไอ้ตัวปรุงแต่งมันก็ดับไปพร้อมกับไปขันหน้าเลยเลยกลายเป็นตัวไม่ปรุงแต่งเป็นความว่างหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลไปนั่นแน่หนูเลยมีซ้อนสองชั้นคือ เห็นตัวเองอะหลุดออกมาจากกายที่มันเจ็บปวดทุกทรมานมากแล้วมันมันจิตจะดับแล้วมันก็เด็นดึงออกมามีตัวเรากระเด็นไอตัวผู้รู้เนี่ยกระเด็นออกมาจากล่างเราแต่สังเกตดีๆไอตัวที่กระเด็นออกมาจากผู้รู้เนี่ยมันรู้ตัวเรามันพูดได้ตัวนั้นอะมันพูดได้มันพูดมันทุกได้โศกเศร้าได้มันขับแคลนเสียใจได้มันร้องห่มร้องไห้ได้ตัวเนี้ไอตัวปรุงแต่งเนี่ยมันเอาไอตัวเราปรุงแต่งเนี่ยมันโศกเศร้าเสียใจได้แล้วดูเลยบอกว่าอ้าวหนูเลยทําความเพียรต่อไปเลยเห็นว่าอ้าว ไอ้จิตผู้รู้กับไอ้ใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันแยกออกจากกันได้เมื่อเราเนี่ยไม่เข้าไปยึดไอ้จิตผู้รู้เมื่อเราไม่เข้าอตัวแรกเนี่ยจิตมันแยกออกจากกายแล้วไอ้ตัวจิตที่มันมารู้ตัวเองมันพูดได้ปรุงแต่งได้แล้วเรามาแยกเรามารู้ไอ้จิตที่มันเนี่ยมันมารู้แล้วมันคิดได้ปรุงแต่งได้มันพูดอยู่ในใจได้เราไม่ไปยึดมาในตัวเนี้ยเราปล่อยวางมันไปอ้าวใจก็เลยว่างมันก็เลยพ้นจากไอ้ไอ้จิตที่ปรุงแต่งได้เลยเห็นว่า ใจที่ว่างเปล่ากับจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยเพราะมันคนละตัวกันนะเพราะว่าไอ้จิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งได้แต่ใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันเลยกลายเป็นใจที่ว่างเปล่าเนี่ยเราก็เลยสงสัยเอ๋อแล้วอยู่ๆมันมีอานาจจิตขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะเราไปรู้ไปเห็นอย่างเนี้ยเออมันจะมีอํานาจจิตขึ้นมาได้เพราะไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในจักรวาลมันเลยจะมี มีอํานาจมีฤทธิ์มีอํานาจได้เอามาทีฐานช่วยลูกได้นะอันเนี้ยให้นึกถึงพพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธานุภาพเวนะธรรมานุภาพเวนะสังขารุภาพเวนะเพระคุณบิดามารดาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บุญบา ร, รมีเราเนี่ยอธิษฐานช่วยลูกได้ด้วยอีกแรงหนึ่งเพราะว่าลูกเขาเนี่ยเขาช่วยตัวเขาเองอยู่แล้วพลอยใส่เนี่ยลูกตาเขาช่วยไปแล้วอธิษฐานไม่ให้แล้วแล้วพอยสายเ้าก็ช่วยช่วยตัวเขาเองแล้วช่วยอย่างไรก็ช่วยจะไปทําบาปช่วยไอ้คิดดีพูดดีทําดี ช่วยจะทําทให้จิตใจเศร้าหมองคืออย่าให้จิตเศร้าหมองอย่าหน้างอคอหักแล้วก็เด้งดิดึงขึ้นมาอถ้าน้ำเม่ไหรก็รหน้างอคอหักกระดิบเด้งดิดึงขึ้นมาอย่างเงี้ ย, ย, ยช่วยเขาก็าช่วยตัวเองอยู่แล้วอันเนี้ยเราก็ช่วยใครแรงในติฐานเช่วยเขได้อันเนี้ยอ่อย่าพูดไรเลยไฟสายอ่ะเราเคยนั่งสมาธิอยู่พูดต่างๆค่ะพูด ด, งดงังอะไรนี่ยนะ เ, เ, ขเขาเคยนั่งสมาธิอยู่เพาเขาเคยนั่งสมาธิตาหลวงตาแล้วเขาเห็นเห็นความคิดเขาไม่หยุดเขานั่งเขาบอกว่าเขาเขาพูดว่าเขาจะนั่งถึงสว่างค่ะแต่เขานั่งสมาธิได้นานมากลูกลูกก็เลยกลัวว่าเอาคิดว่าไงนะพูดเลยพูดตอบดิว่าไงนะแม่แม่พูดก็ได้แม่ไลฟ์ฟังได้ว่าไงนะ เขานั่งสมาธิค่ะเขาบอกว่าเขาจะนั่งถึงสว่างค่ะไอ้คอยใสายเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุหกขวบค่ะหลวงตาแต่แต่ว่าลูกพาไปสร้างบุญตั้งแต่อยู่ในครันค่ะในท้องค่ะอ๋อพาไปทําบุญตลอดก็นั่งสมาธิเป็นตั้งแต่กี่ขวบเนี่ยนั่งสมาธิเรารู้อตั้งแต่หนึ่งขวบมั้งคะอ๋อนะคอยสายนั่งสมาธินั่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่ะฝึกฝึกนั่งมาเรื่อยๆค่ะฝึกนั่งมาเรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่านั่งไม่นิ่งค่ะตอนนั้น แต่เริ่มมันนิ่งตอนห้าขวบจะหกขวบค่ะนิ่งแล้วเขานั่งสมาธิเขาบอกว่าเขาจะนั่งถึงสว่างค่ะหลวงตาแล้วเขาก็เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมนอนเลยค่ะแล้วลูกก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่ารุ่งเช้าก็ต้องไปโรงเรียนลูกก็เลยบอกเขาว่าคอยใสยแม่ขอให้ลูกนอนเขาบอกว่าหนูบอกแล้วว่าหนูจะนั่งถึงสว่างบอกว่าแม่ขอให้ลูกนอนหนูพูดแล้วว่าหนูจะนั่งถึงสว่างค่ะเขาเขาพูด แล้วลูกก็เลยถามว่าลูกเกิดสภาวะแบบไหนเขาก็เลยบอกว่าเขาเห็นความคิดใช่ไหมคะเขาเห็นความคิดเขาค่ะเห็นความคิดเขามันไม่นิ่งลูกก็เลยมาหาหลวงพ่ อ, พอสรุรพลค่ะหลวงพ่อสุรพลว่าก็ให้มันคิดไปอยเงี้ยค่ะลูกก็ลูกก็ไม่ทราบคะ่ะลูกก็บอกว่าแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเห็นสภาวะของเขาเขาก็จะเห็นสภาวะของเขาไม่นิ่งตลอดค่ะลูกก็ไม่ลูกก็กกให้คําตอบไม่ได้คะ่ะ <ทำ S 2> อค่ะ เราเขา้าใจยังอ่ะที่หลวงตาพูดหรือตอนนี้เขา้าใจยังปรกอบไม่เข้าใจแตตอนนี้เข้าใจ <Yeah. S 1> แล้วเขา้ า, ขาใจยังไงเอาพูดใหม่ที่อ่ะไปสายหกขวบเพราะนั่นเองเอ้าเข้าใจยังไงอ่ะตอนนี้จิตที่มันไม่นิ่งกับตอนนี้เป็นไงใจเราสงบได้ใช่ไหม <c oughs> เออจิตไม่นิ่งแต่ใจสงบได้ไหม <c oughs> ได้เออได้ใจที่สงบกับจิตที่ไม่นิ่งเป็นคนละอันกันใช่ไหมเออหดูเห็นได้ยังงี้ไหมเห็นยังไงทําไมทําไม ใจหนูสงบได้ทั้งที่จิตไม่นิ่งเนี่ยลูกตาอยากรู้ตรงนี้ถ้าแต่จิตหนูบอกว่าไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งแต่ทําไมใจหนูสงบได้ไม่คิดมันคิดค่ะมันคิดคิดเออจิตมันคิดมันคิดมันคิดแต่ทําไมใจหนูสงบได้ลูกพราหนูนัง่งทเชืช่อีเพราหนูนังน่งเพราหนูนั่งค่ะเราหนูเขเล่นเหมือนไม่เข้าเป็นรวมกัน เออทำไมทำไมใจหนูสงบได้ล่ะลูกลวงตาเห็นหนูนั่งตั้งแต่เย่าเราฟังเขาเนี่ยไม่กระดุกกระดิกเลยหนูนั่งขัดสมาธิอยู่บนเก้าอีนะ้น่ะนั่งดังใชยไหมแล้วใจก็ส่วนใจเลยจิตที่มันคิดยังไงก็ไม่ควรใจหนูได้เลยเป็นเพราะอะไรล่ะหลกนีอ่อยากอยากรู้ว่าลวงตาอยากรู้ว่าหนูเห็นอะไรรู้อะไรอย่างไงหนูลองมาพูดตรงนี้ให้หลวงตาฟังดิผู้ใหญ่ก็อยากรู้นะตรงนี้ว่าทำไมจิตหนูคิดคิคิดแต่ใจหนูเนี่ยมันมีความสงบได้เพราะว่าหนูนั่งตั้งแต่ เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วตั้งหัวข้ามแล้วเนี่ยเราเป็นเด็กอายุหกขวบไม่กระดุ ก, กกระดิ ก, ะ ก, กระดุกกระดิกระดุกกระดิกดุกกระดิ่ระดุกกระดิกระุกกระดิกะดุกกระดิกระดุกกระดิกรกกระดิกระดุระดิกระดุากริกระะดิกรไปตามจิตรดกะดิกระดุกกระิกรดุกกระิกระดุกกระดิกรริกระดุกกระดิอะรอะดุกกะดิกระดุกกรนดดุกกระกดุกะดระรระดระดกรหดุะิกยให้กกระดิกระดุกกกระงุกกระดิกระดุกกระะ อ๋อเดีฟังหลวงตาอ๋อฟังฟังหลวงตาเลยใจเลยสงบเลยเนาะค่ะแม่บอกให้ไปแล้วฟังแม่บอกว่าไงนะแม่บอกให้มาเนาะให้ตรงใจฝันเจอเนาะค่ะแม่บอกว่าถ้ามาฟังหลวงตาให้ปฏิบัติค่ะคุณใจเย็นค่คุณแม่บอกว่าคุณใชเอะๆหนูฟังตะวันไม่ได้มาหนูก็ฟัง ชอเห็นวิญญาณขนุนตาเออมันธรรมดาปล่อยเขาไงตอนเด็กๆค่ะหนูเคยเห็นเงาไม่เรื่อง ป, ปกติโลกเพราหนูเป็นสมาธิมันก็เห็นได้หรอกถ้าสมาธิไม่ได้เห็นค่ะอืออย่าไปเห็นก็นเลยปล่อยมันเถอะแต่สมาธิมันก็เห็นได้แล้วก็แผ่ไม่ตายขเขาเรามีบุญแล้วก็แผ่ไม่ตายขเขาไงหนูเคยเห็นเทวดาค่ะเออก็เลื่อง ป, ปกติโลก เรปกติถ้าหนูนั่งสมาธิแบบนี้ก็ต้องเห็นอยู่แล้วแต่ก็เรื่องปกติหนูก็แผ่ไม่ตายเข้าไปเทวดาก็แผ่ไม่ตายไปปกินญาณทั้งหลายหนูก็แผ่ไม่ตายเข้าไปหนูก็ขอให้เขาอยาดทุกข์ค่ะขออยากอะไรนะขอล้วก็ขอให้เขาอยาดทุกข์ขอให้เขาอยาดทุกข์เออดีๆอันนี้ดีลูกๆขอให้เขาอยาทุกข์ยาทุกข์ทุกข์ทุกทุกข์หยาทุกข์ยาทุกข์เทวดาก็อยาทุกข์ผีสานังว่าก็อะไรก็มาหนูเห็นก็ว่าอยาาทุกข์หยาด ดีแล้วลูกอันเนี้ยอันเนี้ยหนูก็เท่ากับว่าหนูเนี้ยเชื่อฟางหลวงตาแล้วทำตาหลวงตาคือได้กับทำประโยชน์ตนแล้วก็หนูทำประโยชน์คนอื่นด้วยช่วยเหลือคนอื่นในพ้นทุกข์ไอ้ดีหนูเนี้ยใจบุญใจกุศลนี่แน่หนูเลยรอดได้ปลอดภัยได้ร่างกายเดีไม่เจ็บไม่ป่วยเดี๋ยวนูก็หายได้อกสาทุหนูเคยช่วยเหลือสัตว์ <c oughs> วันนี้เพื่อนค่าสัต ลูก็บอกว่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าเพื่อนก็ไม่ฟังอืมอืมอืมจะสาธุดีแล้วลูกมาเอาคนอื่นเนี่ยเอาเด็กสอนผู้ใหญ่มั่งหกขวบแล้วเนี่ยตั้งแต่นั่งตั้งแต่เด็กไงใช่ไหมเอาเด็กสอนผู้ใหญ่มั่งเข้าใจไหมเนี่ยที่เด็กก็พูดเนี่ยเราก็จะยังมัวไปยุ่งวุ่นวายกับจิตอาการของจิต เด็กก็ไปถึงใจที่สงบแล้วถูกไหมล่ะเราไปยุ่วุ่นวายกับจิตจะทําให้มันไม่คิดไม่นู่นไม่นู่นไม่เป็นอย่างนู่นในเป็นอย่างนี้วุ่นวายกับมันมากเลยเด็กมันถึงใจที่สงบแล้วจิตกระปุงไปแต่ใจมันสงบและว่างเปล่าเข้าใจไหมล่ะแต่ที่สงบและว่างเปล่านั้นเป็นคนละตัวกับจิตที่มันปรุงแต่งที่มันคิดปรุงแต่งมันคนละอันกันเราไปยุ่วุ่นวายแต่จิตที่มันปรุงแต่งจะทําให้มันไม่ปรุงแต่งมันต้อไม่ชอบปรุงแต่งจะทําให้มันไม่ปรุงแต่งแต่เด็กมันไปถึงใจที่ว่างเปล่าแล้วส่วนจิตปรุงแต่งก็อยากปรุงแต่งไป แต่ใจมันส ง, งบและว่างเปล่ามันคนลอานกันทุกคนต้องฝึกให้มาถึงตรงนี้มันถึงจะแยกใจออกจากจิตที่ปรุงแต่งได้ไปถึงใจที่ว่างเปล่าได้ตายแล้วไอ้กายป่งไอ้จิตที่มันปรุงแต่งมันเป็นกายโปร่งแสงมันจะได้ดับไปพร้อมขนันห้าเข้าใจไหมล่ะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติผิดทําให้จิตมันไม่ปรุงแต่งนิ่งเฉยนิ่งเฉยอยู่นเนี่ะ อันนี้มันปฏิบัติผิดไปทําให้จิตไม่ปรุงแต่งทำให้มันไม่ปรุงแต่งมันคนละตัวกันแล้วเราไปปฏิบัติให้จิตที่ปรุงแต่งทําให้มันนิ่งเฉยนิ่งเฉยมันก็ปฏิบัติไปเลยซื่อบื้อไปเรื่อยเรื่อยโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราว่าวโหเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ปฏิบัติซื่อบื้อโง่ดักดาญนี้จะทำให้โง่ดักดานนีงง้ ก, งงกี่พบกี่ชาติจิตเป็นปรุงแต่งก็ปรุงแต่งยิ่งให้มันปรุงแต่งมากๆให้มันวิเคราะห์วิจารณวิจัยสังเกตสังกาจดจําเรียนรู้ทำความเข้าใจมันยิ่งปรุงแต่งมากเท่าไหร่มันยิ่่่งงงฉลาดเนนนือคตัใจมมไปรุแ นี่เราไปสกดไอ้จิตที่ปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งเื้อบือ้อเฉยเมื่อไหร่มันจะเฉยทัออนทีไอ้จิตที่ปรุงแต่งเมื่อไหร่จะเฉยชอบตายมันอย่างเงี้ยซื้อบื้อหนักก็ไปแลยโง่ดักดานหนักเข้าไปเล ย, นนเเลยแบบเนี้ยพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเจกับพูดติดแรงมากเลยเออไอ้ไอ้สติเนี่ยมันก็มาแยกเลยให้เห็นว่าไอ้จิตที่ปรุงแต่งกับใจที่ไม่ปรุงแต่งมันพรานกันแล้วเนี่ยมันมต้องใช้ตัวสติยเป็นตัวมาแยก ถ้าไม่มีสติไม่มีตัวอะไรเักมาแยกได้มันก็จะหลงไปตามจิตที่ปรุงแต่ง